ปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติยานะครับทนะขันสารห้าก็ราเอียกเพราะเป็นแก่นสารจึงเรียกว่าสารห้านี่รขันหมดศีลก็ดีสมาธิขันหมดสมาธิก็ดีปัญญาขันหมดปัญญาก็ดีวิมุตติขันหมดวิมุตติก็ดีวิมุตติยานะครับทนะขันหมดวิมุตติยานะครับทนะก็ดีก็รวมลงเป็นเชื่ออกสามเกลียวในปัจจุวัน หรือห้าเกลียวในปัจจุบันชีรขันเป็นเกลียวหนึ่งสมาธิขันเป็นเกลียวหนึ่งปัญญาขันเป็นเกลียวหนึ่งวิมุตติขันเป็นเกลียวหนึ่งวิมุตติญาณทัศนะขันเป็นเกลียวหนึ่งรวมกันเป็นธรรมขันห้าธรรมะขันพระบรมศาสดาบัญญัติล้านหยานขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลูกคืออะไรคือดินน้ำไฟลมประชมกันเป็นกายเรียกว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามเนี่ยนามขานหรือนา ม, มาลูกหรือนา ม, มาโลกหรือนา ม, มาทุกข์หรือรูปประทุกนามมาทุกข์รูปอนิจจังนามอนิจจังวายเยอ่ยอ รูปทุกรูปทุกขงังนามทุกขงังรูปก็ดีนามก็ดีก็คือโลกนั่นเองก็คือสังขารโลกโลกคือสังขารนั่นเองก็คือสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์นั่นเองก็คือคือเทวาโลกพระเทวาโลกก็ยังมีรูปขันนามขันอยู่คือพมมาโลกพมมาโลกก็มีรูปขันนามขันอยู่เว้นเสีย แต่อรูปปรมสีชั้นก็มีแต่นามขันอันเดียวมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปขันไม่มีท่านอนนั่นอยู่ด้วยอา น, นาจขององค์ฌานอานิสง์ขององค์ฌานมีอายุอยู่ตามอานิสง์ขององค์ฌานหมด อ, อานิสงค์ก็ลงมาท่องเที่ยวอีกเหมือนกันเหตุฉะนั้นพรมบรมศรราสดา จึงสอนมาให้ติดอยู่ทั้งรูปขันนามขันด้วยทั้งอารูุปกะขันด้วยสอนให้เห็นโทษรูปขันก็ดีนามขันก็ดีรูปปะโลกก็ดีอารูุปปะโลกก็ดีรูปปะธาตุก็ดีอารูุปปะธาตุก็ดีก็คือกองทุกเราดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นก็คือกองอนิจจงดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นก็คือกองอนัตตา เราดีๆนี่เองไมใช่นอื่นหายใจเข้าเป็นรูปขันหายใจออกเป็นรูปขันที่ผู้บัญญัติว่าลมเข้าลมออกเป็นนา ม, มขันเป็นเจตสิก ผู้บั ญ, ญยัติก่าลมๆ ล, ลมเข้าลมออกเป็นเจติติเป็นนา ม, มขันสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วแต่ปวนแต่แต่ลสลายเหมือนกันเป็นทอดทอดเป็นรอบๆเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนมาให้ถือมั่นจึงสอนให้เป็นจึงสอนให้เบื่อหน่ายให้คลายมองให้ถอนอาลัย เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังเกิดขึ้นแน่พระแตกสลายเป็นทุกขังเกิดขึ้นแน่พระแตกสลายก็มีความหมายอันเดียวกันรสชาติของอนิจจังก็คือทุกรสชาติของทุกขังก็คือทุกตรงตัวแล้วรสชาติของอนัตตาในฝ่ายในฝ่ายสังขารก็คือทุก ทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยผู้ที่รู้ตามเป็นจริงพิจารณาอยู่เป็นเนืองนิดก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญานั่นเองไม่ใช่อันอื่นไปเลยก็คือมรคคือผลนั่นเองมรค ก, ก็คือตัวเหตุที่พิจารณาผลกับผลคือผลของเหตุที่การพิจารณา รวมมรรครวมผลลงเป็นเอกมรรคในปัจจุบันรวมศีล ร, รวมสมาธิรวมปัญญาลงเป็นเอกศีลเอกสมาธิเอกปัญญาในปัจจุบันไม่สงสายไปทางอื่นรวมโลกลงมาในปัจจุบันรวมสังขารลงมาในปัจจุบันรวมกองทุกลงมาในปัจจุบันรวมธาตุดินน้ำไฟลมลงมาในปัจจุบันเพื่อให้ดูง่าย ลายเห็นง่ายนี่ะนั้นแล้วจะมองนั้นมองนี้มองอยู่แห่งเดียวเห็นหมดคำว่ามองไม้ความว่าปัญญาและสติสติมีอยู่ที่ใดปัญญามีอยู่ที่นั้นและศีลก็มีอยู่ที่นั้นและสมาธิก็มีอยู่ที่นั้นและปัญญาก็มีอยู่ที่นั้นสมดูนกันแยกกันไม่ได้ ตั้งสติไหวกรร ม, มาฐานอันใดก็คือศีลอยู่ที่นั่นพระตัดศีลลงในที่นั้นก็คือสมาธิอยู่ในที่นั้นพราะตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นก็คือปัญญาอยู่ในที่นั้นคือรอบลู่ในที่ตั้งไหวตกลงศีลสมาธิปัญญาก็อยู่แห่งเดียวกันไม่ต้องพลากกันไม่ต้องเลี่ยงไม่ต้องขยายก็ได้จะขยายก็ไม่สงสัยจะไม่ขยายก็ไม่สงสัย สังขารทั้งปวงลงมารวมลงมาเป็นเอกสังขารในปัจจุบันทุกข์ทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกทุกข์ในปัจจุบันศีลทั้งปวงลงมารวมลงมาเป็นเอกศีลในปัจจุบันสมาธิทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกสมาธิในปัจจุบันปัญญาทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกปัญญาในปัจจุบัน ไม่ได้แยกกันเมื่อต้องการแยกก็แยกคล้ายๆกับสตางมีอยู่ในกระเป๋าของเราเราจะนับอยู่ในกระเป๋าก็ถูกแล้วจะเอาออกมานับนอกก็ถูกก็มีความหมายอันเดียวกัน จะไม่ยอมถูกแพร่ความสงสัยพราถูกแพร่ความสงสัยมาหลายภพหลายชาติแล้วจะไม่ยอมถูกแพร่ความท่องเที่ยวในวัดตาสงสยายจะชนะปัญหาอันนี้ไปมาให้มีปัญหาอีก เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นโมฆะอยู่ตามบุญตามกรรมของแต่ละลายของหลุขันนามขันหมดอายุสังข า, การก็แต่สลายกันไปหมดเมื่อสติปัญญาจะมากำหนดหรือยินดีหรือเพลิ น, นเพียงเท่านี้ความสุขก็ไม่มีจะมาอีกภาพพดของหลุสังขาร น, นามสังขารภาพพดของโลก ก็ไม่มีมากภาพพดของดินน้ำไฟลมก็ไม่มีมากดินแตกไปเป็นดินน้ำแตกไปเป็นน้ำไฟแตกปเป็นไปเป็นไฟลมแตกไปเป็นลมตั้งขึ้นอีกกี่ร้อยกี่หมื่นกี่ล้านก็าตามก็มีหน้าที่แตกสลายลงอย่างเดิม สติมีอยู่ที่ใดศีลก็มีอยู่ที่นั่นสมาธิก็มีอยู่ที่นั่นปัญญาก็มีอยู่ที่นั่นเมื่อสติศีล ส, สมาธิปัญญามีสมดุลแล้วสามารถมองเห็นทังขานได้ชัดเพราะกลมกลืนกันเพราะเป็นสามัคคีกันเรียกว่ามัคคะสามัคคีเมื่อมัคคะสามัคคีก็คือเหตุสามัคคีนั่นเอง เมื่อเหตุสามัคคีกันแล้วผลกว่าสามัคคีกันในขณะเดียวเหมือนกันไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุไปทางโลกุตระก็ขึ้นอยู่กับเหตุเมื่อเจตนาต้องการรุดพ้นในวัฏจัรสงสารแล้วศีลก็กลายเป็นโลกุตระศีล สมาธิก็กลายเป็นโลกุตระสมาธิปัญญาก็กลายเป็นโลกุตระปัญญาเพราะหัวจับพาไปเพราะเจตนาพาไปเพราะเจตนามีกำลังมากเป็นเครื่องดึงดูดความประพฤติ ท, ทั้งปวงให้เป็นไปตามแถวของเจตนา เจตนาและความหวังก็มีความหมายอันเดียวกันเจตนาและความต้องการก็มีความหมายอันเดียวกันต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงจะมีกิลเลสอยู่ก็มีประตูกแก้ต้องการท่องเที่ยวในวัฏสงสารไม่มีประตูกแก้ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงอนจะแก้บางท่านพูดว่าต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอยากต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารมันเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสจริงเพราะเรายังละไม่ได้เมื่อเราละได้แล้วมันก็ไม่เป็นกิเลสพราว่าลงมศาศาสตาท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีความต้องการออกหน้าก็มีเจตนาออกหน้าเจตนาหวังจะเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า พุทธะกิริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์เป็นของพระพุธธทธเจ้ายาตถาคิริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติโลตถาคิริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกก็มีความหวังและมีความหมายพระจะปรมีสัมปนูก็คือความหมายนั่นเองพระตั้งาศาตร์ไว้อธิษฐานปรมีสัมปนูต้องอธิษฐานในใจ อธิษฐานธรรมสอย่างปัญญาเรารู้สิ่งที่ควรรู้สัจจะความจริงใจคือพืชสิ่งใดก็ให้ได้จินจ้าคะสละสิ่งที่เป็นค่าสุดแก่ความจริงใจอุปสมาสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าสุดแก่ความสงบเมื่อฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาสมดุนกันแล้ว ก็ไม่เหลือวิสัยอิตที่บาทคือคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะพอใจรับใครในสิ่งนั้นวิริยะเพียนหมือนประกอบในสิ่งนั้นกิตตะเอาใจพักฝ่ายในสิ่งนั้นไม่วางธุระวิมังสามันตริตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณสี่อย่างนี้มีบริรณ์มีบริบูรณแล้วสามารถชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัย อิทธิบาทชันทะพอใจในรักไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้นิริยะเพียนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิปตะเอาใจฟักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันตริตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่ในอันเดียวกันพระคือทำในกําลังห้าอย่างศรัทธาความเชื่อ วิทยะความเพียรสติความระลึกไดสมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญาความรมลับรูกอินซีห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้เพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือวิทยะเอาใจฟักไฟในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สมาธิตั้งมั่นสติระลึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คุณละมุมโลกอยู่ในปัจจุบันทันด่วนด้วยกัน ความสำเร็จอยู่กับความพยายามผู้เขาพยายามไปทางผิดเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่ว kind of ่ามันให้ผลต่างกันผู้พยายามไปทางโลกีก็สำเร็จตามทางโลกีแต่ให้ผลต่างกันผู้พยายามไปทางโลกุตระก็สำเร็จไปในทางโลกุตระแต่ให้ผลต่างกัน ผู้พยายามลักขโมยเขาก็สําเร็จตามความประสงค์ของเขาแต่ให้ผลต่างกันติศคุกทิศตารางบ้าถูกประหารบ้าตามเหตุผลของมัธยมโทษมหันตจะโทษและหูโทษมัธยมโทษมหันตจะโทษและหูโทษเมื่อมัธยมโทษมี มหันตโทษมีราหูราหุโทษมีมัธยมคุณก็มีมหันตคุณก็มีมหันตคุณคือพระรหานมัธยมคุณคือพระโสดาบันสกทาทานคือพระอนาคานมัธยมคุณระหุคุณคือพระโสดาบันในทางโล ก, กุตละในทางโล ก, กีก็เหมือนกัน เราไม่อยากยอมเป็นดอกบัวอยู่ใต้น้ำเพราะเรามีศรัทธาพอจะสู้ได้แล้วถ้าหากว่าเราอยู่ตามบุญตามกรรมเฉยๆก็ไม่เป็นที่สบายใจของเราเราไม่ยอมอยู่ตามบุญตามกรรมเราต้องการสร้างบา ร, รมีหนีสงสาร พอเราเห็นภัยแก่ภัยเก็บภัยตายภัยโรคภัยปวดภัยลงอย่างเต็มที่แล้วเราจึงไม่นอนใจถ้าเราจะนอนใจโดยถ่ายเดียวก็ไม่เป็นที่สบายใจอีกเหมือนกันเหตุ น, นั้นจึงนอนไม่ได้เพราะไม่ลืมตัวเพราะไม่ลืมทำ เพราะไม่ลืมใจเพราะเห็นหนทางออกอยู่เพราะเรารู้ดีชัดแน่ ว, ว่าน้มดับไฟได้ทำไฟโลกุตละก็ดับกิเลสไปเป็นพันชัิจนถึงพระอรหันต์ ถ้าเราจะยอมตัวเป็นคนโงเ่เขาตายช่างหัวมันตายแล้วที่เกิดมีถมไปความเห็นชัดนิดนั้นเราก็ไม่เป็นสุขอีกด้วยเราก็ไม่นอนใจอีกด้วยเราไม่ยอมเสียแล้วหากว่าเรายอมเราก็อยู่ตามบุญตามกรรมไม่ต้องค้นควายมันเราไม่ยอมเสี ย, ยที่เราไม่ยอมนั้นคุณค่าของเรามีอยู่แล้ว เพราะเราเป็นผู้มองเห็นมองเห็นประโยชน์มองเห็นภยัยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะเราถือว่าเราอยู่ในสนามเวนสนามภายัยในโลกอันนี้ถึงแม้ว่าหลับเราก็ไม่รับสนิท ต, ตื่นขึ้นมาเราก็พิจารณาหาทางออกอยู่เสมอเส เพราะวาสนาของเราแก่้ามาแล้วจะ ท, ทาให้อ่อนมันก็อ่อนไม่ได้ผู้ที่มองเห็นหนทางแล้วตาเราไม่บอดจะให้เราหลับเดินเราก็ไม่ต้องการก็มเ ป, เป็นที่พอใจของเราเพราะตาเราไม่บอดทั้นใดก็ดี เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหวังความพ้นทุกข์ในวัฏจาทรงสารเนื่อจะให้เราหยุดอยู่มันก็หยุดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครพ้นทุกข์ไปได้เสียไปดยบตนเอ ที่ท่องเที่เอามาลงล่างกระดูกที่ท่องเที่ยวมาเป็นพ่อฆ่าหนังแม่ฆ่าหนังแม่ฆ่ากระดูกพ่อฆ่ากระดูกมาฆ่าแก่ฆ่าเก็บฆ่าตายมาเป็นพ่อฆ้าแม่ฆ่าผลลาได้ก็คือทุกกำไรก็ถคือทุกทุนก็คือทุก ทั้งทุนทั้งกาไรมีแต่ทุกข์อยู่ในวัตฏะสงสารเราก็อยากจะทิ้งทุนเสียทีน่นี่ไม่ต้องการหวังกาไรในวัตฏะสงสารทุนเกิดทุนเกะทุนเก็บทุนตายเราจะทำลายให้มันหมดจะไม่ยินดี ด้วยความพิจารณาแบบเย็นๆจะไม่ยินดีแบบไม่ทะลุจะไม่ยินดีด้วยความพิจารณาแยบคายไม่ใช่มุทะลุจะเอื้อมละอาด้วยความแบบเย็นๆทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยจะเคหลาบด้วยความแบบเย็น ๆ, แบบนๆไม่เคหลาบด้วยประชดแดกดันตนเอง เทศลาบด้วยความแยบคลายตนเองด้วยปัญญาอันทองแท้เคยเป็นธาตุเคยเป็นตันหาของตนมาหลายภพหลายชาติแล้วเคยเป็นข้าเป็นทาตเป็นข้าเป็นทาตตนเองพุทธัสสะหักสมิทาสีวะสมิทาโศวะ จึงยอมเป็นข้าเป็นาทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ยอมเป็นาทาสกิเลสเป็นเมืองขึ้นของมันมานานแล้วไม่ต้องเป็นห่วงห่วงห่วงในวัตฏสงสาร มรดกในวัดเจ้าสงสารไม่อดใครจะแย่งกัรดกมรดกเกิดมรดกแก่มรดกเก็บมรดกตายมรดกลอบโกงหลงถึงแม่ไม่แบ่งไม่ฟันให้เขาก็แสวงสร้างเอาเองแต่โลกฐานไม่ขาดเราอยากแค่ทอดบงังสกุลทิ้งไปเสียนีย ทอดออกจากคันธัสดั ญ, ญดองอยู่ขนาดไหนก็จะออกเอาออกจะขับไล่ไสายส่งออกหมดจะพยายามจะเกียดตะกาย <c oughs> พระสติพระปัญญามาเป็นสงครามกัน ในคันธะสันดานมาเป็นสงครามกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความหลงต่อสู้กับความงม ง, ง, งายต่อสู้กับความสงสัยไม่มีกลางวันกลางคืนพระโวดาบรนยึดได้ ยึดได้แล้วไม่ขบทคืนยึดได้ที่ไหนก็เรียกไปพระจักทาคามียึดได้ก็ไม่ขบทคืนเขาไม่ขบทคืนกิเลสไม่ขบทคืนถ้านาคามียึดได้อีกถ้ารหารยึดได้หมดไม่ขบทคืน ยความฉลาดได้แล้วยิ่งกว่าพระจันทร์ในวันเพ็ญยิ่งกว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขับไลยมืดหนีก็จริงอยู่แต่ว่าที่ในถ้ำในเหวลึกๆพระอาทิตย์สองไม่ถึงส่วนพระปัญญาสองถึงหมดทั้งอดีตทั้งอนาคต ทังปัจจุบันด้วยมองทะลุก้อนหินมองทะลุภูเขามองทะลุภูเขาด้วยวิธีไหนเพราะภูเขาจะแตกจะสลายเป็นเรี่ยวกมามองทะลุภูเขาออกมองใต้แผ่นดินทะลุเลยมองใต้แผ่นน้าก็ทะลุเลย มองขึ้นไปบนอาการก็ทะลุเลยเพราะเหตุใดด้วยอำนาจพระอนิจจังด้วยพระปัญญาเห็นชัดในอนิจจังเพราะสิ่งแล้วนี้อยู่ใต้อำนาจอานิจจังก็เรียกว่ามองทะลุหมดนั่งอยู่วันลังเดียวขณะจิตเดียวรอบโลกแล้วเพราะดูแจ้งชัดในอนิจจังทุกคั้งอนัตตา ไม่ต้องห่อเห้นเดินอากาศไปดูก็ได้รอบทั้งโลกนังหุ้มด้วยรอบทั้งโลกนอกด้วยพระหิตธาโลกอัชตาโลกคือนังหุ้มอยู่โดยรอบอัชตาโลกกับอัชตาสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันพระหิธาโลกกับพระธฮิตธาสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันโลกภายในโลกภายนอกโลกใกล้โลกไกลโลกดีโลกอนาคต สังขารใกล้สังขารไกลสังขารอดีสังขารอนาคตก็มีความหมายอันเดียวกัน มาเป็นเปรตเฝ้าชาติเฝ้าพบอยู่หลายชาติแล้วเรายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็คือเปรตเอากันดีๆนี่เองเปรตเฝ้าโลกเปรตเฝ้าสงสารเปรตหลงสังขารเปรตหลงของไม่เที่ยงเปรตในเมืองมนุษย์ในเมืองเดเทวดาในเมืองพรมถ้าละหันจะพวกเดียวพ้นจากเปรตไปแล้ว พระอนาคามีก็ยังเป็นเปรตเฝ้าอยู่บ้างนิดนิหน่อยเพราะท่านไปติดสุขเวทนาถ้าท่านไปสําคัญตัวเป็นนั่นเป็นนี้เพราะท่านไปติดอารมณ์อันแห่งเป็นรูปประชานและอารูปประชานท่านไปติดอยู่ในสุขขาเวทนา หรืออุเบกขาวเวทนาพระอนาคามีเหตุนั้นความสาคัญตัวขององค์ท่านจึงมีท่านยังปล่อยยังไม่ได้ยังเป็นเปรตเศ้าอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีคิวจะรุ่พ้นพระโสดาบันก็เหมือนกันสัพพาคามียนาคามีปเหมือนกันแต่ท่านไม่บัญญัติว่าเปรต แต่พระลหันของบรรยัติได้ท่านคงบรรยัติว่ามันเป็นทุกข์อยู่จึงไม่พอใจอยู่ในพระอนาคามจึงพอใจรุดพ้นต่อไปแต่ท่านบรรยัตในเปรตหยาบๆส่วนที่ไปทางโลกีแต่พ้ละเอียดแท้ เป็นเปรตในฝ่ายโลคุตระโสดาบันสัคตาคามีอนาคามีก็ยังเปิดเปรตอยู่เหมือนกันเพราะเฝ้ากองทุกข์ยะได้เกิดอีกหลายหายชาติโสดาบันกว่าสามชาติเจ็ดชาติสัคตาคามีกว่าสามชาติอนาคามีอวิหะอัตป า, า, า, าสุตสาสุตเสกานิทกา จะน้ำลนับไปแต่ ว, ว่าโทษเบาแล้วถึงเฝ้าก็เฝ้ า, าของบอกผู้ชนคนหนาก็เท่ากับว่าน้ำมันไวไฟไฟมาใกล้ปักพึบใส่เลยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ เราเรียนวิชากองดับไฟไม่ใช่เราเรียนวิชาหาฟืนใส่ไฟเราเห็นโทษในเรื่องไฟไฟไฟไฟกิเลสไฟโรคไฟโกรธไฟหลงเราเห็นโทษอย่างเต็มที่ เมื่อเราเห็นโทษอย่างเต็นที่เราก็ต้องดับอย่างเต็นที่เพราะเรารู้จักเครื่องดับราคะไฟก็คืออสุภกรรมฐานเป็นเครื่องบรรเทาไม่ให้ไฟลุกมากโทสะไฟก็คือเมตตาโมหะไฟก็คือพิจนาอานิจจังทุกครั้งอนัตตา จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้นจะได้คลายความเมาความเมาความหลงสติป้องกันความอยากความอยากนั้นละได้ก็เพราะปัญญามีสติในกรรมฐานป้องกันความอยาก แต่ความอยากจะละขาดได้ก็เพราะพระปัญญาพิจารณาแล้วเสขออพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งเอาประเสรธรรมสีพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งคุยยังไง ก็คือพิจารณาในศีลในสมาธิในปัญญาก็กคือพิจารณาในผลนฐานพ้ศีลพผลภาวนาพิจารณาและอดกั้นของอย่างหนึ่งอดกั้นในราคะด้วยอสุภกรรมฐานอดกั้นในโทสะด้วยเมตตากรรมฐานอดกันนดกรรนดก้นในโมหะด้วยพิจารณาอานิจจทุกขังอนัตตา เสยบกหมือนกันเว้นก็เหมือนกันสิ่งไหนที่จะให้กาเริบราคะสิ่งนั้นไม่แค่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ่งนั่นเป็นอปามงคล สิไหนที่จะให้โทสะจัดขึ้นอุบายใดๆที่จะให้โทสะจัดขึ้นอุบายนั้นไม่ใช่คําสอนของพุทธเจ้าอุบายใดๆที่จะให้โทสะถอนตนลงอุบายนั้นเป็นคําสอนของพุทธเจ้าจนถึงเหื่อแท่งหายไปอุบายใดที่จะทําให้หลงทวีขึ้นอุบายนั้นไม่ใช่คําสอนของพุทธเจ้าหลงว่าไม่มีบุญไม่มีบาหลงว่าไม่มีมรรคผลนิพพาน ลวงในแทนชั้นหยาบหยาลวงในชั้นละเอียดลวงว่าสกลณกายเป็นของสวยงามลวงว่าสกลณกายเป็นของเที่ยงเป็นสุขลวงว่าสกลณกายเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นลุกคนโดยแท้ จนแกะไม่ได้วางไม่ออกอริยะธรรมอยที่ตัวนะโลอริยะธรรมก็อยู่ที่นอและชนอยู่ในที่นี้ไม่ได้อยู่ในที่อื่นไฟไหม้เมืองไหนก็ต้องเอาหน้าเมืองนั่นดับฉันใดก็ดี มันไม้มุวยมอนอยู่ที่จิตใจก็ต้องเอาน้มที่เมืองจิตเมืองใจดับจะไปะหาที่อื่นมันก็ไม่ทาโรคกรดหลงมันก็เกิดขึ้นที่ใจจะดับมันก็ดับลงที่ใจ สินสมาธิปัญญาจะทำให้เกิดให้มีก็ทำเกิดให้ให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจเมื่อชนะก็ชนะอยู่ที่ใจเมื่อแพ้ก็แพ้อยู่ที่ใจอยู่แห่งเดียวกัน ความสกรปรกก็อยู่ที่ผ้าเมื่อซักให้สะอาดแล้วก็อยู่ที่ผ้าสนิมก็อยู่ที่เหล็กเมื่อคัดออกก็คัดออกจากเหล็กเมื่อสะอาดก็สะอาดอยู่ที่เหล็กใจอุ ป, ปมาเหมือนต้นไม้ กิเลสอุปมาเหมือนเทวันพันต้นไม้หรือไม่แค่นั้นใจอุปมาเหมือนเหล็กกิเลสอุปมาเหมือนสนิมถ้าไม่มีเหล็กก็ไม่มีสนิมถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็ก เหตุฉะนั้นพระิยเจ้าท่านจึงไม่ยึดถือในใจของท่านใจเป็นสัตว์ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุตรผลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตามปัจนาเท่านั้นตายก็เป็นสักว์ว่ากายพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่าสกายนี้กวนสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุตรผลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงว่าสักกายานุปัสจนาพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์หรืออุเบกขา เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก <pl> ส <ains> ักว่าเวทนาไม่ใ <sh> ช่สัพพุทธกุลตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปรัสนาเท่านั้นพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้กสักว่าใจไม่ใช่สัพพุทธกุลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตาหรปรัชนาเท่านั้นพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่า ทำรรนี่ก็สักว่าทำไม่ใช่บุธผกตัวตนเรเขาเป็นแต่เพียงธรร ม, มานุัสสนาเท่านั้นโดยใจความกวพิจารณากายจนลงถึงอนัตตาพิจารณาเวทนาลุนจงจนถึงอนัตตาพิจารณาจิตลงจนถึงอนัตตาไม่ติดอยู่ในกิจพิจารณาธรรมที่เป็นคู่ประกิจลงถึงอนัตตา กายก็ดีก็เป็นกายตามเดิมเทนาก็จัดเป็นนามตามเดิมกายก็จัดเป็นรูปขันเวทนาก็จัดเป็นนามขันสัญญาสังขานจิญญาณจัดเป็นนามขันขันห้าย่นลงมาเป็นสองรูปขันหนึ่งนามขันหนึ่งโลกย่นลงมาเป็นสองรูปประโลกอรูปประโลก ก็คือรูกขันนามขันนั่นเองย่นธาตุลงมาเป็นสองลูกประธาต์อารูุปรธาตุลูกประธาต์ ก, า ก, าก็คือรูปขันนามขันนั่นเองรูกรโลกนั่นเองรูปขันนั่นเองนามขันนา ม, มาโลกนา ม, มาลูกก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลคคเกิดขึ้นแน้วก็เสียสลายไม่ใช่ภาษาบุคคลตัวตวนเราเขาเป็นแต่เพียงสักว่ารูป เป็นเดเสียงเพียงสั ก, กวันหนามสิ่งที่นอนเนืองอยู่ในคันทาสดานอนัตตาธรรมเท่ า, ทานั้นจะมาลบล่างได้เพราะเป็นกิเลสอันละเอียดเมื่อเห็นอนิจังชัดก็เห็นทุกขังชัดเมื่อเห็นหนังชัดก็เห็นเนื้อชัดก็เห็นกระดูกชัดเหมือนกัน เมื่อเห็นกระดูกชัดก็เห็นน้งเห็นเนื้อชัดเหมือนกันเมื่อเห็นเกิดชัดก็เห็นแก่ชัดเห็นเก็บชัดเห็นตายชัดเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้โยงกันอยู่เป็นเชือกเส้นเดียว <c oughs> เมื่อเห็นปัจจุบันชัดตอ น, น, นไหนอดีตอนาคตตอนนั้นก็ชัดเหมือนกัน ข่าวสมัยพระเอกเขาใช้นังแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงเราไม่ทราบพอกเขาออกมาเป็นรูปโตรูปเล็กกว่าตา ม, มก็เป็นพระเอกอันเก่าทั้ในใดก็ดีจะเกิดขึ้นเล็กขึ้นน้อยกว่าตามโตกว่าตามใหญ่กว่าตามก็เกิดขึ้นแล้วกว็แตกสลายอันเดียวกัน เป็นการอันเดียวกันเป็นการเทศอันเดียวกันเมื่อเห็นแจ้งชัดก็ละอายจะหวังพึ่งอนิจจังก็ละอายจะหวังพึ่งสิ่งที่เป็นทุกขังก็ละอายที่จะหวังพึ่งสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวใช่ตน ก็ละอายจะหวังพึ่งกับอนิจจังก็ละอายจะหวังเป็นสุขกับอนิจจังทุกครั้งอนัตตาจะสุขมาแต่หนหอยกะอายจะหวังพึ่งชาติพึ่งพบเพราะชาติมีแต่ทุกข์จะไปพึ่งที่ไหน พบมแต่ทุกจะไปทุ่งที่ไหนผูกขาแล้วไม่มีสารอุทธรสาติปิทุกขาชราปิทุกขาปิดแปลว่าแม่เป็นทุกมากถึงเรียกว่าแม่ใส่แม่โทด้วยไม่ใช่พ่อแม่ใสม่มาอีกคำว่าปิแปลว่าแม่เป็นทุกไม่ใช่ทุกพอดีโทวงานมีแม่ออกหน้าด้วย เมื่อนำปีทุกครั้งปิก็แปลว่าแม่เมื่อเห็นทุกชัดก็เอือมละอาที่จะไปลงทุกอีกที่นี่ก็เอื่มละอาที่จะไปลงทุ ก, ก, ทา ม, าททกมาบรรยัติเป็นสุข เมื่อเห็นอันนี้จังชัดก็เอื่มละอาที่จะไปบัญญัติว่าเป็นของเที่ยงเมื่อเห็นอนัตตาชัดก็เอือมละอาว่าจะถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามที่สมมุติในโลกอันนี้เป็นธรรมละเอียดมากของอันเดียวนั่นแหละแต่ว่าเมืม่อพิจารณาไปเท่าใดมันก็ละเอียด ข้ามปัจจุบันได้ก็ข้ามโลกได้ข้ามปัจจุบันผู้รู้ในปัจจุบันพระบรมศาสานาจึงยืนยันว่าบุคคลผู้ใดรู้อดีตบุคคลผู้ใดรู้อนาคตบุคคลผู้ใดรู้ปัจจุบันบุคคลผู้ใดรู้เบื้องบนคืออนาคต บุคคลผู้ใดรูปเบื้องต่ําคืออดีตบุคคลผู้ใดรูปเบื้องกลางคือปัจจุบันแล้วมาติดอยู่ในผู้รู้ในปัจจุบันผู้นั้นเขาดับรอบแล้วนะเขาได้มาไม่ไม่มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารอีกดอกเพราะเขาไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสาม โลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันถ้าข้ามโลกปัจจุบันโลกอดีตไม่ต้องข้ามก็ได้โลกอนาคตไม่ต้องข้ามก็ได้ฉะนั้นเราจึงพิจารณาปัจจุบันพิจารณาเพื่อให้ทลายเมาให้ถอนคืนไม่ให้ยึดถือว่าปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันไม่ให้ถือว่าผู้รู้ในปัจจุบันเป็นตนตนเป็นผู้รู้ในปัจจุบันทาชั้นสูง จิตก็ส่งคืนให้จิตผู้ลูกก็ส่งคืนให้ผู้ลูกปัจจุบันก็ส่งคืนให้ปัจจุบันหรือไม่สง่งจะส่งหรือไม่สง่งปัจจุบันก็ไม่มาเป็นสงขามกับใครผู้ลูกก็ไม่มาเป็นสงขามกอบใครแต่กิเลสความรู้ของตนเป็นสงครามกับตนตั้งหา อดีตอนาคตปัจจุบันไม่มาเป็นท้องคมกับใัยผู้ลูกก็ไม่ได้มาเป็นท้องคมกับภัยผู้หลงจะเป็นท้องคมกับเขาถังหา นินฟ้าอากาศธาตุดินน้มรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณไม่มาเป็นสงครามกับใครแต่ผู้หลงหยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขาจริงจจังๆไปเป็นสงครามกับสิ่งเหล่านี้ ปฏิบัตพระพุทธศาสนาเมื่อหวังเพื่อรื้อพ้อนในวัฏสงสารโดยด่วนมันก็ไม่มีความหมายเลยสําหรับบุคคลผู้สร้างบารมีมาแก่กล้าแล้วสําหรับบุคคลเพิ่งสร้างก็ถูกอยู่ถ้าผู้สร้างมาแก่กล้าแล้วมันก็ไม่สมฐานะทีนี่ เือเริ่มก่อสระอาการขอสระอาขาถูกอยู่พอเป็นในใิสัยผู้เก่กแก่กล้าแล้วจะดึงขาเขาลงมาเขาก็ไม่ลงละจะไปพูดถ้ำห่ำหันให้เขาคลายเขาก็ไม่คลายเพราะสติปัญญาของเขาแก่ากล้าแล้วแล้วจะไปขู่ไปเข็นเขายังไงเขาก็ไม่หลบดอก มผคนี่ผ่านหมดแล้วไม่มีนอกบุญไม่มีบาปไม่มีมีน้ำซ้ำาก็ไปเปลือยกายให้เขาดูข้าวก็ว่าไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งกางเกงมีน้ำส้ำเอาภูมิจิตภูมิจใจไปให้เขาเห็นด้วยก็ตัดสินวะ่าเออมันอยู่ในระดับนั้น ผู้อยู่สูงก็ต้องมองเห็นผู้อยู่ต่ำคนตาบอดจะไปมองเห็นคนตาดีก็ไม่ได้เพราะจะถือว่าไม่มีบุญมีบาปไปเที่ยวเปล่าร้องถือว่าคุณม่ดามันดาไม่มีกับคนตาบอดอวดสนเข็มก็มีความหมายอันเดียวกัน ค้าหักหวดว่าตนวิ่งเร็วก็มีความหมายเดียวกันกองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าก็มีความหมายเดียวกันสิ่งเหลนี้เรารู้ไว้ทำไม มันจะได้มาผลนิพพานหรือถ้าเราไม่รู้เราก็จะหวั่นไหวในเมื่อถูกลมพัดเรารู้ไว้มันก็ไม่หวั่นไหวเพาลมมันพัดอยู่มันมีมันมีหน้าที่พัดมันก็พัด เมื่อจิตใจเราเชื่อศีลเเชื่อ้เชื่อทำแล้วเชื่อมรรคผลทีพผ่านแล้วมันไม่หวั่นไหวไปไหนดอกถ้าหากว่าหวั่นไหวไว้ไวเป็นพระบรมศ า, ศาสดาก็ไม่เคารพทำเพระองค์ท่านไม่ได้อยู่และทำองค์ท่านเก่งกว่าพระโสดาบันแต่องค์ท่านไม่สามารถจะเสกวิชาให้พระโสดาบันมาเป็นพุทุชน เราเก่งกว่าโลกทั้งปวงเราจะแสดงอภินิหารเราจะเสกสรรพระโสดาบันให้เป็นผู้ตุชนให้เป็นคนไม่เลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงค์เราจะบรรลุ น, ดนดานให้มันเป็นพระบรมศาสดาเขาบรรลุนานมาได้ในตุนั้นพระองค์ถึงเขารดธรรมสัทธาโมคตุกาตาบควรเขารดธรรม เราไม่ยอมเชื่อพราบรมาศาสนาไ ม, ไม่ยอมเชื่อพระพุทธศาสนาเราก็ไปล่อยไม่ไหวไม่มีประตูจะไปไม่มีประตูจะโตเกลีย์เก็บตายโลกโปวดหลงสันพเวียนสัภพภัยในใจโลกธาตุนี่มันจริงเพ่งอยู่แต่ท่านที่แต่ท่านยังไม่พูดเมื่อท่านไม่พูดอีกมันก็จริงอีกที่จะคัดค้านไปที่ไหนเกาไปไม่รอด ไม่มีคนจอมในโลกนี้มีแต่แก่เก็บตายเท่านั้นทีนี้เราจะแซงก็ไม่มีประตูแซงะยกธงขาวเท่านั้นพวกรมราชาองค์ปัจจุบันไม่ใช่พุะชาชนคนหนา อย่างน้อยท่านก็ถึงพระโสดาบันแล้วเป็นมงคลดีที่สุดในประเทศไทยองค์ท่านไม่ใช่พุทธชนคนหนายอย่างน้อยที่สุดพรโสดาบันแล้วท่านสมเด็จพระบระมราชาท่านพระบระมราชินีด้วย ถ้าหากองท่านมีชาติมีพบอีกก็คงไม่เลยภาิียเมตใจดอกพอถึงโลกุตละแล้วปฏิ ป, ปทาขององค์ท่านไม่ใช่ของ ง, ง่ายง่ายพวกเรามันโชคดี ถ้าหากว่าไม่มีพระบรมราชาอยู่ในทางเป็นตัวมุกของประเทศพวกเราจะแก่งแย่งกันไปกว่านี้มากมายนะปฏิบัติธรรมไม่สะดวกแล้วเดยวนี่เราปฏิบัติธรรมสะดวกบ้างพอเป็นพอไปมีอิสระก็ พระว่าพระบรมราชาเป็นหัวหน้าในทางฆราวาสส่วนในทางพุทธศ า, าสนาก็มีพรบร๊พระสมเด็จพระสังฆราชตลอดถึงภูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายป ร, ริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติแข้งแรงอยู่ซึ่งเป็นผู้เทียงเรียงรายกัน กับสมเด็จพระบรมราชานาถ้ามันมีองค์ท่านก็เกรงว่าพวกยวนจะเอาพวกเราไปร่อจมูกแล้ว พูดน้อยไม่พอใคยพูดหลายเดี๋ยวเขาฆ่าทิ้งเพราะเขามาได้เขียนไว้ใส่หน้าปากว่าไหวเพราะมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่อง์ท่านฉลาดมาก ไม่เป็น่ไม่เป็นคนขี้ขาดด้วยเที่ยวให้ความอบอุ่นทั้งฝ่ายสาสนาด้วยทั้งฝ่ายราชสรณด้วยประชาชนพลเมืองด้วยอาถรนต่อความดีขององค์ท่าน มีฉะนั้นแล้วจะพกครองกันยากในฝ่ายพระ ก, ก็ดีในฝ่ายโยมก็ดีเหตุฉะนั้นทุกยุคทุ ก, ท ก, ทกสมัยจึงเป็นคู่เคียงเลียงลาย ก, กันกับพระพุทธศาสนามาแต่รดๆมารายชาโนรายชาโนจึงมีในพระบาทีอยู่ทุกๆศาสนา อยู่ทุกทุกพุทธศาสนาไม่ใช่ทุกศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็ต้องพระบรมราชาเป็นมือขวาในทางพาหวณา์ถ้าหากว่ามันมีพระบรมราชา พระพุทธศา ส, สน า, า, าก็ามลำบากเหลือเกินผู้ใดเบียเดเบียนพระพุทธศา ส, สนาก็บเบียเดเบียนพระบรมราชาก็มีความหมายอันเดียวกันหรือเบียดเบียนประเทศชาติก็มีความหมายอันเดียวกันผู้ส่งเสริมพระบรมราชากสส็ส่งเสริมชาติก็มีความหมายอันเดียวกัน อำนาจของทานศีลภาวนาของพระพุทธศาสนาประเทศไทยเรายังจะมั่นคงไปอีกนานเป็นไปได้ยากเพราะประเทศไทยบริบูรณ์มีทั้งฝ่ายปริยัติฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิเวทมีครบศัตร์ธรรมสามปรททิยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมมีครบบริบูรณ์ เือพอพืชย้อนพอพืดยิ่งก็เป็นแต่ละรายของบุคคลไม่หมดไอยไม่ทั่ว ไ, ไปหมดทั้งฝ่ายปริยั ต, ON, ทยติทั้งฝ่ายปฏิบัติทั้งฝ่ายปฏิเวทไม่ได้ทั่วไปหมดฝ่ายปริยัต ON, ท่านผู้ดีก็มีมากอยู่ฝ่ายปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติหรือผลของการหรือผลของการปริยัติ ปฏิเวทเป็นฝ่ายผลผลในฝ่ายพสวดาปฏิผลสกทาฝ่าผลอนาคายผลก็จัดเป็นปฏิเวทเหมือนกันหรืออาณาอาราชกผลก็จัดเป็นปฏิเวทเหมือนกันปฏิเวทกับผลของมรก็มีความหมายอันเดียวกันปฏิเวทกับผลของเหตุก็มีความหมายมอันเดียวกันหมายความว่าเหตุที่ดีหมายความว่ามรก หรือว่าผลของพืชที่ดีก็มีความหมายอันเดียวกันหรือว่าผลของกรรมที่ดีก็มีความหมายอันเดียวกัน